พวกเราก็ในพิจารณาบทการามกาลามสูตรเนาะอย่าพึ่งปงใจเชื่ อ, นะอนนี้คือท่านให้เราตรองด้วยปัญญาตรองด้วยปัญญาก็ไม่ใช่คิดเอานะแต่หมายถึงว่าก็ตึกตรองนิดหน่อยในการพิจารณา แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าการปฏิบัตนะิคือเวลาเราตองก็ประมาณว่าตึกรองว่าไอสิ่งที่ทำนะนะเอาคิดง่ายๆว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะอย่าคิดมากเนะมันทีเราคิดมากก็มันมันก็วุ่นนะจะทำอะไรก็แบบคิดวิเคราะห์วิจารอะไรมากมายคือเราใช้ความคิดนะคาดชะนี ไปก่อนเยอะ yeah. ถ้าหลักการที่ถูกคือข้อแค่คิดง่ายๆว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะในสิ่งที่ทํำนะแล้วก็ลองทําดูนะลองทําไปเลยแล้วก็แต่คราวนี้พอพอทําไปแล้วเราก็ตรวจสอบว่าเมื่อทําไปแล้วกุศลเกิดขึ้นหรืออกุศลเกิดขึ้นนะในใจนะ หรือพูดง่ายง่ายก็มันจะมันจะเรินขึ้นหรือว่าเสื่อมลงนะถ้าเราทำตามสิ่งที่ที่ทำแบบนั้นแล้วนะกุศลนะฝ่ะายกุศลมันจะเรินขึ้นคือฝ่ายอกุศลมันจะเรินขึ้นนะเราก็ดูคือบางอย่างนะสิ่งที่ทำแม้บางอย่างแต่สิ่งที่ทำที่เป็นอกุศลแน่นอนนะมันก็ทางไปทางอากุศลแน่ แต่บางทีสิ่งที่ทำบางทีเราทำด้วยมันก็เป็นกุศลนะแต่ก็ขณะที่ทำอกุศลอาจจะทาหน้าก็ได้นะต้องระวังนะถ้าเราไม่ไม่ระวังอย่างบางคนศรัทธาเนาะศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะแต่บางทีศรัทธามากเกินไปก็กลายเป็นควา ม, มงมงายนะ ขาดปัญญานะบางคนการทําทานก็ดีนะแต่บางทีบางคนก็ทําจนจนเหนื่ดร้อนนะจนคนอื่นเหนื่ดร้อนนะบางทีการรักษาศีลก็ดีนะแต่บางทีเขร่งครัดมากก็เครียดนะหรือว่าจะผิดคนอื่นนะการทําสมาธิก็ดีนะแต่บาธีทําไปก็ ก็ติดแต่สงบนะติดความสุขอะไรอนยะ่างนะี้การเจริญภาวนาก็ดีนะแต่มทีเราก็ถ้าเราไปแบบจะเอาจะมุ่งมั่นมากเกินไปนะมันก็กลายเป็นความเครียดอีกแบบหนึง่งนะจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้นะี่เคี่ยวจนเองจนกระทั่ง จนกทั่งมันมันตึงมันผิดธรรมดามันผิดธรรมชาติไปหนึ่งทีเราใช้ปัญญามากก็ดีนะแต่มันก็เป็นสงสัยเป็นเห็น <c oughs> เห็นข้อบกพร่องนั่นนี่เยอะจนกระทั่งจิตมันก็ไม่ค่อยเป็นกุศลละคือแม้แต่สิ่งที่ที่ทำมันเป็นกุศล แต่นนาที่เราทำถ้าเราถ้าเราวางใจไว้ผิดบานทีมันก็เป็นอกศุศลได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่ละเอียดนะเหมือนที่พระอาจ า, ารย์เมสันบางทีท่านยกคำพูดของท่านพ่อเฟื่องนะท่านบอกว่าสิ่งที่มันถูกนะแต่ถ้าเราไปยึดมันก็ผิด มันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะแล้วก็บางทีคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทันที่คิดว่าบางทีสิ่งที่มันถูกแต่ถ้าเราไปยึดมันมากๆนะมันก็ผิดมันผิดเพราะเพราะเราเป็นทุกขเป็นทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเห็นว่ามันถูกต้องนั้นกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไปยึดมันมากไม่ใช่ว่าเราไม่เราก็ทํานั่นแหละนะแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราหรือยึดมั่นถือมั่นในเชิงจะเอานะ่ะจะสะสมมันจริงๆเนะี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ใจหรือบางทีก็พลิกกลายเป็นอกุศลมันนําหน้ากุศลแทน ผมจะอาจจะมาชอบอมีตัวอย่างหนึ่งมีตัวอย่างหนึ่งมีชาวบ้านนะไปถามพระพระทุดงนะ่ะใายวัดป่านะท่านออกทุดงนะไปอยู่ในป่าสมัยโบราณนั่นแหละนะนานหลายปีละชาวบ้านก็อยากจะรู้เรื่องบุญเนาะก็ถามก็เข้าไปถามพระเนาะว่า บุญคืออะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นพระที่ท่านเรียนหนังสือปเรียดมาท่านก็อาจจะตอบอีกแบบหนึ่งในตำราในคัมภีร์อาจจะตอบอีกแบบหนึ่งแต่พระป่านะท่านบอกว่าบุญเหรอเหมือนโยมนะอไปเข้าป่าเนาะคือคนโบราณเวลาคนสมัยก่อนเวลาจะถ่ายจะปวดทุกข์กันเนาะเนี่ยจะถ่ายก็ คือเข้าป่าเราเรียกยังไงก็ว่าเข้าป่านะเวลาโยมจะไปปวดทุกขอ่ะจะไปเข้าป่าหรือที่จริงท่านพูดแบบภาษาตื่อๆนะโยมจะเข้าป่าไปขี่นะเนี่ยโยมขี้เสร็จแล้วเนะี่ยโยมย้อนมองขี่ตัวเองเล่าประมาณนั้นอ๋อชาวบ้านก็เข้าใจทันทีอ๋อพระท่านอธิบายบุญเหมือนเปรียบ ก, กับเหมือนการไปขี่นะ คือบุญจริงๆก็คือปวดทุกข์นั่นแหละน่ะปวดทุกข์ <ś ś ขี้ก็คือปวดทุกข์ทางกายเนาะแต่บุญก็คือปวดทุกข์ทางใจน่ะอันเนี้ยตัวอย่างง่ายๆเลยนะอะท่านทาอะไรแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆคือมันก็คือการปวดทุกข์นั่นแหละนะปวดทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นน่ะเพราะความเห็นผิดเพราะอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละ บนจริงๆก็คือปวดทุกข์นะเราทําทานก็คือปวดทุกข์นั่นแหละนะจิตใจเราให้เราก็มีความสุขมันก็คือการปวดทุกข์หรือเราไม่พอใจใครแล้วก็ให้อภัยไปนะเราก็คือการปวดทุกข์ปวดทุกข์ในใจของเราการรักษาศีลก็เหมือนกันนะ รักษาศีลก็เพื่อเพื่อปลดทุกข์นะอาคุณโซนไมนเกิดขึ้นนะเราไม่ทําตามเขานะทุกขตรงนั้นมันก็มันก็เสื่อมลงค่อยๆเบาลงนะจิตใจที่เคยหยับหยาบเนาะคนที่ทุศินบ่อยๆเนะี่ยจิตก็จะหยาบนะเคยทําผิดสินบ่อยๆมันก็จะทําผิดง่ายขึ้น แต่พอเราเริ่มรักษาศีลละจิตก็จะเริ่มละเอียดขึ้นไอ้ที่เคยมักง่ายในการทําความชั่วมันก็ทําได้มีความละอายมากขึ้นความละอายก็คือใจที่มันละเอียดขึ้นนั่นแหละที่บางทีเราพูดว่าพบภูมินะพบภูมิเทวดานางฟ้าสวรรค์อะไรต่างๆที่จริงถ้าจะเที่ยวก็พบภูมิในใจของเรานั่ยแหละนะ มีความละอายต่อความชั่วเกินกลัวต่อบาปเนี่ยใจมันสูงขึ้นใจมันละเอียดขึ้นนะแต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานนะมันก็ไม่อายนะอยากจะทำอะไรก็ทำนะอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะกัดกันก็กัดอยากจ ะ, ะผสมพันกันก็ไม่อายใช่นะ้นคือมันก็ ในชาญก็เป็นแบบนั้นนะมันก็ต่างกันที่เนี่ยแหละความความเกรงกลัวต่อความชั่วและอายต่อบาปจิตก็สูงขึ้นเรื่อยนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่นะก็คือทําเพื่อความเพื่อความปลดทุกขนะ์เพื่อละความทุกขนะ์ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นตอนนี้แหละ เรปฏิบัติจริงๆก็คือเพื่อตรงนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะเอแม้แต่ความสุขนะมันก็ไม่หวังที่จะได้แต่บางทีพูดกับคนทั่วๆไปบางทีก็เออทาไปเถอะจะได้มีความสุขอะไรประมาณนี้นะเนาะจะได้มีความสุขมากขึ้นนถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ เวลาพูดก็อาศัยความสุขมาเป็นเหมือนเครื่องล่อนะให้คนทำความดีให้คนมาทำสมาธิปฏิบัติธรรมแต่จริงถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆนะแม้แต่ความสุขก็ไม่ได้อยากจะไดนะ้คล้ายๆเหมือนกับคนอิ่มแล้วนะแม้แต่อะไรที่มันอะไรที่มันอร่อย อะไรที่มันน่ากินจริงมันก็ไม่อยากกินนะมันก็ก็มันอิ่มนะมันอิ่มมันเต็มแล้วนะจะเอาอะไรเข้ามามาเข้ามาอีกเนี่ยแแบบหาเข้ามาอีกมันรู้เลยมันเป็นทุกข์นะมันก็แค่กินเศษนะที่มันอยากกินนะหรือยิ่งเศษเข้าไปมากๆกับยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราอิ่มข้าวนะกินจนอิ่ม อะไรที่มันจะเข้ามาแม้จะดีขนาดไหนแต่มันก็เป็นโทษเป็นทุกข์จิตของเราถ้ายิ่งยิ่งเต็มยิ่มอิ่มมากขึ้นมันก็ไม่แสวงหาแม้แต่ความสุขแม้แต่การแม้แต่การที่เราภาวนานะแม้แต่ความรู้สึกตัวนะเราก็ต้องดูดีๆ บางทีเราอยากจะให้มันรู้ชัดๆนะมันก็เป็นการความอยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะที่จริงความรู้สึกตัวนะหรือการรู้นะไม่จาเป็นต้องชัดก็ได้นะมันรู้แบบไหนมันเกิดแบบไหนแล้วก็รู้แบบนั้นแหละนะไม่จาเป็นต้องทำให้มันชัด แต่ที่เราทำมันก็คือทำเพื่อแค่รู้เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อให้มันรู้ชัดไม่ใช่ทำเราให้มันรู้เบาเนี่ยก็ไม่ใช่นะแต่ถ้ารู้แล้วมันเบาเราก็รู้ว่ามันเบารู้แล้วรู้แล้วมันชัดเราก็รู้ว่ามันชัดรู้แล้วมันหนักเราก็รู้ว่ามันหนักรู้แล้วสบายก็รู้ว่ารู้แล้วมันสบายแบบนี้ คือไม่ได้ทําเพื่อเพื่ออยากให้ความรู้สึกตัวมันมันนําไปเกิดผลอย่างไรเนะ่ะมันเกิดอย่างไรมันรู้ได้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นไม่ต้องไปกําหนดให้มันชัดทุกครนะั้งน่ะหรือบางทีแม้แต่ความที่เราอยากจะทําให้มันต่อเนื่องนะ่บางทีมันก็เป็นความอยากนะแต่ถ้าเรา เอาความเพียรแบบไม่มีความอยากเนี่ยมันก็เป็นอีแบบหนึ่งนะเรามีความเพียรแต่บางทีเรามีความอยากให้มันได้อยากให้มันรู้ตลอดเนี่ยมันก็เป็นความเพียรที่เจือ ด, ด้วยตัณหาแต่ถ้าเราเพียรด้วยฉันทะความพอใจในการทำเราก็ทำไปเรื่อยๆนะทีลกขณะทีลกขณะ แต่ใจเราก็ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะต้องต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะถ้าเราไปคิดว่ามันจะต้องต่อเนื่องเหมือนเราก็จะเชื่อมอดีตปัจจุบันอนาคตนะเราก็คิดว่าไม่อยากมันมีช่องว่างให้กิเลสมันเกิดขึ้นมานะต้องเอาเยอะๆแต่ถ้าเราเอาแค่รู้แค่ปัจจุบันก็พอนะ คืออดีตดูแล้วก็จบนะหรือมันหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงมันก็จบเหมือนกันนะอนาคตก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะรู้หรือหลงมันรู้เราก็รู้ว่ามันรู้มันหลงเราก็รู้ว่ามันหลงเนะี่ยก็พอแล้วนะคือจิตตั้งมั่นจริงๆนะคือตั้งมั่นที่ปัจจุบันนะอดีตก็ละได้ อนาคตก็วางได้แม้แต่ปัจจุบันนะก็เพียงแค่รู้ก็ไม่ไม่ไปยึดมันมากนะอาศัยสักแต่ว่ารู้เฉยๆนั้นการภาวนาจริงนะออดีตปัจจุบันอนาคตนะก็เป็นแค่สมมุตนะิแต่ก็อย่างว่านะเราก็สัมผัสได้จริงจริงก็แค่ปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ไปยึดปัจจุบันนะไม่ใช่ไปยึดปัจจุบันจนเป็นทุกข์นะ เอาปัจจุบันหรือคำว่าอยู่กับปัจจุบันบางทีภาษาก็ใช้คำว่าอยู่แต่ก็ที่จริงก็คือปัจจุบันก็เป็นเครื่องระลึกรู้นะศักแต่ว่ารู้แต่รู้แล้วก็ต้องปล่อยมันก็จบไปเป็นอดี ต, ตไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปกงังวลอดีตต้องมาต่อเนื่องกับปัจจุบันต่อเนื่องกับอนาคตบางทีความรู้สึกตัวเนี่ยบางทีอย่างที่บอกบางที ครูบาจันทร์ก็บอกให้ให้ทําให้มันต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ทำจนกรทั่งเราเครียดเนี่ยเครียดจะเอาให้ต่อจะเอาให้มันชัดจะเอาให้มันดีนะ่ะจะเอาให้มันไม่มีความคิดเลยนะ่ะจะเอาให้มันสงบจะเอาให้มันสุขจะเอาให้มันเบาเะไ่นะไอ้พวกนี้ยคือความความยากที่มันแฝงเข้ามาในการภาวนาเนาะเราต้องค่อยสังเกตนะ ถ้าจิตมันเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้เราภาวนาเหมือนคล้ายๆเอมันก็ผิดไปนะเราต้องรู้ว่าผิดเป็นแบบไหนนะมันถึงจะถูกแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันผิดมันจะมันจะผิดต่อเนื่องนะาจารย์ชยส า, าโรนะัท่านเคยเปรียบเปรียบเทียบว่าเหมือนคล้ายๆถ้าเปรียบเหมือนเขมทิศนะ เวลาถ้าเราตั้งเข็มทิศผิดองศาหนึ่งนะเริ่มต้นมันก็เป็นหนึ่งองศานะแต่พอเราเดินต่อไปเรื่อยมันก็คล้ายๆมันก็จะออกห่างจากศูนย์กลางที่ที่ถูกต้องไปทีละนิดทีละนิดอ่นะคือถ้ามันเฉียงเริ่มต้นมันเฉียงนิดเดียวนะแต่พอเดินไปเรื่อยมันก็จะเฉียงมากขึ้นเพราะองศาจุดที่ตั้งต้นมันผิดมันก็จะเฉียงไปนะ แต่การปฏิบัติมันก็มันก็ดีอย่างนะพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็กลับมาตรงกลางได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไอที่ ท, ทามันผิดเนะี่ยมันก็จะทำไปเรื่อยนะบางทีก็จะติดไปนะหนักไปนะนะติดติดไปทางเพ่งบ้างติดในทางประครองบ้างนะติดในความอยากบ้างนะอันนี้มันก็จะติดไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเออมันมันผิดเออ มันวางใจผิดแล้วก็กลับมาได้นะแล้วก็กลับมาได้อันนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเนาะสังเกตว่าขณะที่รู้สึกตัวนะเอ่มันรู้ด้วยความอยากไม่เนี่ยรู้ด้วยเจือด้วยอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่บางทีมันยังไม่เห็นนะก็ไม่เป็นไรนะเนี่ย บางทีการสังเกตด่างกายเราก็ช่วยได้นะเอเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นความความตระหนักรู้ของกายก็ได้เนะี่ยก็ดูลักษณะร่างกายมันมันผ่อนคลายหรือเปล่าเนะ่บางทีถ้าเราทําด้วยใจที่มันยากมันก็ส่งผลต่อต่อกายที่มันมันไม่ผ่อนคลายเนาะอืม แต่บางคนทําชํานาญมากนะบางทีภายนอกก็ดูเหมือนไม่ค่อนคลายนะแต่มันก็ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะอแล้วมันมีสมาธิมากๆนะมันก็ทําจนเหมือนถ้าเราทําช้าๆทาไปช้าๆมันก็กล่อมจนทั้งกายก็ผ่อนคลายได้นะหรือทําจนชํานาญไปนะภายนอกของร่างกายก็ดูผ่อนคลายได้แต่จริง อยากให้เราดูทําให้มันสบายๆดีกว่าคือถ้าเราทําสบายๆมันจะทํำได้เรื่อยๆนะวันหนึ่งก็ทําได้เรื่อยๆนะไม่ได้เรื่อยๆด้วยความอดทนด้วยความอดกั้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างเดียวหรอกแต่มันจะได้เรื่อยๆเพราะว่ามันรู้สึกมันก็ไม่ได้เป็นหนักอะไรมากมายนะมันก็แค่เหนื่อยนะแต่ไม่ได้หนักแต่ถ้ามันรู้สึกหนักเนี่ยแสดงว่ามัน มันต้องสู้มันต้องฝืนมันต้องทนเยอะแต่ถ้ามันก็แค่เหนื่อยโดยธรรมชาติแต่มันไม่ได้ฝืนอะไรมากมายนะเดินก็แค่เดินยกมือก็แค่ยกมือนะมันเมื่อยก็เปลี่ยนผ้าก็แค่นั้นเราก็รู้สึกตัวสบายๆไปกับการเคลื่อนไหวนั่นแหละ เคลนไหวรู้สึกนะคือเวลาเรารู้กายนะมันรู้พร้อมกันไปเลยนะเพราะกายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะกายกับใจนะกายเคลื่อนใจรู้ปั๊บทันทีนะไม่ใช่ไปรอรู้นะนะคือใจไม่ใช่ไปคอยหรือไปรอที่จะรู้นะ หรือแล้วก็ไปเรียกมันอีกทีหลังว่ามันอะไรนะคือเอาง่ายก็คือว่าร่างกายนะมันก็คือรูปนะมันทำไรปุ๊บใจก็รู้พร้อมกันทันทีรูปปักทันทีเคลื่อนไหวเรารู้สึกเดินรู้สึกยกมือรู้สึกหายใจรู้สึกนะีนะ่คือรูปมันทำใจก็รู้ทันที ไม่ไม่ได้ไปคอยไม่ใช่ไปรอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจนะถ้าเราไปคอยรอดูมันก็ผิดเหมือนกันมันคิดก่อนแล้วเราค่อยรู้มันโกรธก่อนแล้วค่อยรู้มันหลงไปก่อนแล้วเราค่อยรู้แต่รู้ใจเนี่ยมันเหมือนเป็นการตามรู้ไปคอยรอรู้ก็มีก็ผิดนะ มันเอาใจออกไปหาไปรอดูรอดูนะไม่ใชนะ่มันผิดก่อนแล้วเราค่อยรู้มันนั้นภาวนาไปนะ่ะที่เรารู้กายรู้ใจนะเราหลายท่านก็รู้ที่กายเป็นหลักเนาะเดินยังกรมนั่งยกมือนะเราก็รู้กายไปนะมันไม่คิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้กายของเราไปนะรู้กายไปบ่อยบ่อยนะ มันคิดแทรกขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันคิดนะ่ะก็เรียกว่ารู้สึกตัวแล้วนะเพราะความรู้สึกตัวจริงๆมันก็คือรู้กายกับรู้ใจนั่นแหละนะรู้สึกตัวไม่ใช่จะเอารู้ชัดแต่กายที่มันเคลื่อนไหวนะหรือจะเอาแต่เอาให้มันชัดตลอดนะ่ะให้มันไม่คิดเลยนะมันก็จะเป็นส ม, มถะไป มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เดียวเกินไปนะเพราะที่จริงแล้วมันก็นำมาเพื่อการที่เรารู้สึกตัวนะไม่ใช่เห็นแต่กายนะแต่ให้มันเห็นใจนะเพราะใจมันเป็นตัวเกิดของกิเลสของตัณหาของอัตตามาณนะความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ม, มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจนะ เราดูกายเพื่อเห็นใจนะเห็นนะ่ะว่ามนต์ทำไปทําด้วยความอยากไหมนะทําไปได้วยความนะยึดมั่นถือมั่นไหมนะเราดูแบบรู้แบบแค่รู้ดูรู้แบบยึดอนะไรนะ่ะนี่เราเราก็จะเห็นนะนะไม่ใช่เห็นเพียงแค่แบบเอเห็นมันคิดอันนั้น ก, ก็ใช่เหมือนกันนะ แต่เราเห็นไหมเห็นว่าใจมันคอดประครองนะมันกลัวกลัวจะไม่ดีกลัวจะหลงหรือเปล่าอันนี้ยพวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันก็ละเอียดขึ้นนะคําว่านะกายเคลื่อนไหวนะใจรับรู้หรือว่าการมันรู้กายก็เห็นจิตคือเห็นแบบเนนีะ้นะรู้กายก็เห็นจิตใจด้วยว่าในขนาดที่กายเคลื่อนใจเป็นแบบไหนนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องไปแยกแยะทุกขบวนการขั้นตอนนะมันจะเครียดไปนะแต่ก็บอกให้เราเป็นคอยสังเกตดูด้วยบางทีการกระทําของเรามันก็แฝงด้วยเจตเจตนาอะไรบางอย่างนะแม้สิ่งที่เราทําเป็นกุศลก็จริงนะแต่บางทีถ้าเราวางใจไว้ผิดนะกุศลมันก็แปลงเป็นอกุศลได้ง่ายๆนะมันก็แปลงเป็นความยึด ต, ติดถือมั่นอะไรได้ง่ายนําไปสู่ความทุกข์ใจเนาะ แต่ก็ปฏิบัติไปยริงมันก็มันก็ยิ่งเห็นสิ่งที่เราผิดพลาดนี่นแหละนะเห็นสิ่งผิดพลาดไปเรื่อยๆที่เราคิดว่าตาแรกมันถูกแล้วดีแล้วโอเคแล้วภาวนาไปเรื่อยก็จะค่อยๆเห็นว่าอไอ้ที่พามันถูกมันดีแล้วมันก็ยังยังมีเจือด้วยความผิดพลาดอยู่เจือด้วยความหลบอยู่นะมันก็ตลกตัวเองนั่นแหละว่าออมันก็ เหมืคยคล้ายๆเหมือนแต่ก่อนเราเรียนหนังสือเนาะเราก็คิดว่าเราฉลาดขึ้ น, นเออเราเก่งมากขึ้นนะเ อ, อมันก็เริ่มเออมีความภูมิใจพอใจอะไรมากขึ้นแต่เรียนไปได้เออถ้าเราไปเรียนรู้รืไดเ้เราก็เห็นเออไอ้ที่เราว่ารู้ถ้ามันก็ยังมีที่มันรู้มากกว่านี้เอกเนาะเออหรือเราก็ ตอนแรกเราคิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วแต่พอเรียนไปอ๋อเออมันยังเข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ดีพอนะพอภาวนาไปก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนะี่ยมันก็ค่อยๆเรียนรู้เห็นเนะี่ยเห็นสิ่งที่เราไม่รู้นะเห็นสิ่งที่เราหลงอยู่เห็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเนะี่ยเห็นสิ่งที่มันหลอกเราแทรกอยู่ในกระบวนการในการรู้นั่นแหละนะ มันก็เป็นธรรมดานะเจะเอาให้มันดีทีเดียวนะมันก็ไม่ได้นะจะไม่ถูกเร็วๆมันก็เครียดนะแต่ให้เราเหมือนทำด้วยความพอใจในการเหมือนศึกษาตนเองไปเรื่อยๆนะเรียนรู้อยู่ทุกขณะเรียนรู้บ่อยๆนะมีความพอใจในการทำนะไม่ต้องเร่งแต่เองเครียวเครียวตตวเองจนเครียดนะ แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปะตัวเองจนกรทั่งมันหย่อนยานฟุ้งซ่านเนื่อยเปื่อยไปเลยนะก็มีความเพียร น, นะแต่เป็นความเพียรแบบไม่จริงจังน ะ, นะถ้าอย่างอาจารย์เบสานก็บอกทําเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสนะ่ะคือการจระทานะการฝึกเราก็ทําอยู่เสมอแต่จิตใจของเราอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสนะ่ะ เพราะบางทีถ้าเราทําแบบนะั้นมันก็ทําด้วยความจะเอาหรือทําด้วยความกลัวเนะี่ะทําด้วยความอยากนะมันก็ผิดตั้งแต่ตอนจะเอาละกลัวมันจะหลงมันก็ผิดตั้งแต่ตอนที่มันกลัวจะหลงละแต่ถ้าเราทําก็แค่รู้สึกไปเรื่อยๆนะอกายเคลื่อนก็รู้ใจเคลื่อนก็รู้นะอื เลลาใจมันเคลื่อนนะบางทีไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่ามันคิดเรื่องอะไรหรือบางทีไม่ต้องไปจําแนกก็ได้ว่ามันมันรู้สึกอะไรนะโลภหรือโกรธหรือหลงเป็นมานะเป็นตัวตนหรือเปล่าเป็นอะไรก็บางทีไม่ต้องแยกก็ได้นะแค่รู้สึกเหมือนใจมันไหวไปนะเหมือนเรารู้สึกกายที่มันไหวๆนั่นแหละนะบางทีก็ไม่ต้องไปแยก เดวยว่ามันเป็นยืนเดินนั่งนอนฮูนะ้เหยียดเคลื่อนไหวบางทีก็ไม่แยกนะพูดให้คนทั่วไปเข้าใจเฉยๆนะจริงเราก็แค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวนะจะไหวแบบไหนก็คือความไหวจะหยุดแบบไหนในท่าไหนก็คือความหยุดนะหรือรู้สึกแค่มันกระทบนะกระทบตรงไหนมันก็กระทบเหมือนกันนั่นแหละ นะรู้สึกนยะเป็นอาการเฉยๆจิตใจก็เหมือนกันแค่รู้สึกเป็นอาการนะเออมันไหวไปลเนยะก็คือว่ามันไหวออกจากความปกตินะไหวออกจากความตั้งมั่นนะเราก็แค่ตามรู้ทันมัน อ, อ่อรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วหนะรือตัวที่มันไหวออกไปนะแต่อย่าไปสนใจ อ, อาการที่มันไหวนะ มันคิดไม่ดีนะมันคิดดีนะเราก็จะวัไหลไปกับความคิดดีความคิดไม่ดีเนาะแต่ถ้าเราแค่รู้สึกว่ามันคิดนะรู้สึกว่ามันมันไม่ปกติแล้วแค่นี้จบละนะมันง่ายกว่านะเราย้อนกลับมาดูที่ต้นต่อนะที่ต้นของจิตนะไม่ได้ไปสนใจอาการของจิตมากอันนะี้แหละค คือเหมือนเราก็ค่อยๆดูตัวเองเนาะเวลาปฏิบัติค่อยๆตรวจสอบทบทวนดูถ่ง ท, ที่ทำน ะ, นะก็เราก็มีความตั้งใจกันดีทุกคนนะได้มาอยู่วัดได้มาปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องนานๆ น, น, น ะ, น ะ, นะก็ถือว่าน่าอนุโมทนานะแล้วก็แต่เราก็ต้องมีความ รอบครอบในการปฏิบัตินะสังเกตดูตัวเองบ่อยๆนะที่เป็นผิดที่มันพลาดไปก็มั็นเป็นบทเรียนเั่านั้นแหละนะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะหรือเราจะพิจารณาดูก็ได้คือถ้าทำแล้วมันเป็นทุกข์นะมาก็ถือว่ามันก็เริ่มไปละนะแต่ถ้าเห็นมันเป็นทุกข์นะแต่ใจข้างในมัน แล้วก็คลายความทุกข์ได้เนี่ยก็ถือว่าเราก็ก็มาถูกทางนะเพราะจริงเราภาวนาเพื่อเพื่อปลดทุกข์นะพ้นทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาความสุขนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาดีเอาอะไรนะแต่ภาวนาเพื่อให้ละความยึดมั่นถือมั่นนะ่ละได้แล้วมันก็พ้นจากความทุกข์ของมันเองนะก็ฝากไว้ครับ